ปฏิบัติเร า, เ า, ารู้เป้าหมายรู้วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือคนทุกข์ขินเชิงระดับรองลงมาคือเป้าหมายเฉพาะหน้าเป้าหมายแรกที่ต้องมุ่งไปเรามุ่งล้าสกยาทิฏฐิสกยทิฏฐิความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเป็นละความเห็นผิดว่าเห็นถูกอยากเห็นถูกก็ต้องดูว่าของจริงเป็นยังไงไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปคิดออกตามรู้ไปเรื่อยอย่างเราจะถ้าตามรู้กายเนี่ยจะช้านิดหนึ่ง เพราะว่ากายนี้นานๆจะเปลี่ยนทีอายุกายมันยืนอายุรูปรูปมันยืนกว า, ายุจิตแต่ถ้าตามรู้จิตสติระไว้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจนี้จะเห็นไปมันเปลี่ยนรอบๆตลอดเวลาเลยอย่างนั่งฟังอยู่เนี่ยนั่งฟังอยเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็ดูเนยะเดี๋ยวจิตก็ไปคิดสลับไปสลับมาดูออกไหมฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ตาดูาดูอันมาณิดนึง หน้าตามันก็เบลอไปเดี๋ยวเอาหูฟังฟังว่าพูดอะไรฟังได้นิดเดียวเสียงก็เบลอไปหน้าก็เบลอไปไอ้ที่ชัดคือความคิดของเราแล้วก็เข้าไปคิดข้างในเนียไม่จิตเกิดดับจิตเกิดทางตาจิตเกิดทั้งหูจิตเกิดทางใจเกิดเร็วมากเลยเปลี่ยนแปลงตลอดตัวเวทนาล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเทนายังก็เกิดพวบอยู่กับจิต ถ้าตามรู้อยู่ที่จิตใจเห็นการเปลี่ยนแใจที่รวดเร็วมากบางคนว่าโอ้ยากไปยากไปเพราะาเราไปคาดหวังว่าต้องรู้ตลอดเวลาถ้าเราไม่คาดหวังรู้ได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นสิไม่ต้องอยากรู้เราจะไปรู้ให้เกินกําลังของสติของปัญญาเราไม่ได้ถ้าจะตามรู้กายเนีใยส่วนมากจะพลาดไปเพ่งกายตามรู้ใจมีก็ไปเพ่งจิตก็มีนะเยอะเหมือนกัน น, นักเพ่งจิตเพาร่วมลงมือปฏิบัติก็เพ่งรูปเดียวเลยเพ่งก็คือสึกลงไปจ้องรู้สึกไหยจ้องไปจ้องมาลืมตัวเองลืมไปบางคนก็จ้องมันก็หนีลึกเข้าข้างในตามลึกเข้าไปข้างในแล้วถูกมันหลอกถ้าเรารู้เป้าหมายนะว่าเราจะต้องรู้กายรู้ใจตางความเป็นจริงกาปฏิบัติเราจะไม่เบี่ยงเบน เราจะไม่ไปมวัวเด็ดทำสมาธิให้เคลิ้มเคลิมเพราะว่าเคลิมเิมรู้กายรู้ใจไม่ได้เราจะไม่ไปนั่งเข่งให้กายให้ใจนิ่งเพราะเราต้องการเห็นความจริงว่าจริงๆก็ เ, เป็นยังไงคล้ายๆครูกับ น, นักเรียนเราอยากรู้พฤติกรรมนักเรียนนะย่าไปยืนอยู่หน้าชั้นต้องแอบดูถ้าครูไปยืนหน้าชั้นนักเรียนเขดูเรียบร้อยอยากรู้พฤติกรรมของจิตเราเนะี่ย่จ้องเลย ย่งมันต้องมันแจ้งเรียบร้อยมันจะนิ่งรู้ได้แค่ใจเอาแค่นั้นเบื้องต้นก็นานๆรู้ทีพอจิตคุ้นเคยกับการรู้แล้วแต่ไปมัรู้เองรู้บ่อยสติมีการจําสภาวะทําได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดถ้าเรารู้จักสภาวะชัดเจนค่อยๆรู้ไปทีละอย่างสองอย่างอย่างเราหันรู้สภาวะ ความรู้สึกสุขมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้ควจรทุกคนรู้จักนะแต่ละเลยเท่านั้นโกรธเป็นไหมก็เป็นทุกคนรักเป็นไหมก็เป็นทุกคนสภาวะทั้งหลายนะเรารู้จักอยู่แล้วกลัวก็เป็นเกลียดก็เป็นอิจฉาก็เป็นจังวนใจก็เป็นดีใจเสียใจเป็นหมดเลยการตามดูจิตมันไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยตอนนี้มันเป็นยังไงรู้มันเป็นอย่างนั้น ถ้าพูดกับว่าตอนนี้เป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นมันก็เกินจริงไปอีกเราะรู้ปัจจุบันไม่ได้ทิ่ถ้าเราอย่างเมื่อกี้โกรธตรงนี้รู้สึกว่าโกรธโคล่าอันนี่ะ น, นันเราตามรู้พระพุทธเจ้าเลยสอนให้ตามรู้ตามไปเรื่อยๆอย่าตามห่างเกินไปนะเมื่อโกรธเมื่อวานแล้วมันนี้รู้อย่างนี้ไม่ไหวแค่าตามให้เห็นหางมันหน่อยหนึ่งเปนะ็นหมอสังเกตพฤติกรรมผูงปิตเสไปเรื่อยๆนะ เห็นตรงนี้มันจะเห็นเกิดดับผีเลยเมื่อวานมีผู้หญิงเมื่อวานเม่อยาซนเมื่อานซึนมนะคุณมันสรีโอ้ภาวนาได้ละเอียดมากยังเวลาคนเอาน้ำหอมมาให้ดมช่วยดมดมที่กลิ่นนี้ดีไหมดมไปก็แกพบว่าแกได้กลิ่นอันขนาเดียวแล้วก็กดับว้าบลงไปไม่ได้กลิ่น โอ้คือดับเวลาจะมองคนเนี่ยปากแกจะมองหน้าคนได้หนึ่งหน้านี่นะแกบอกแกดูทั้งหลายครั้งเนี่ยพราเวลาเรามองเรามองจุดเล็กนิดเดียวแต่ละคนน่ยถ้าเราสังเกตดูอย่างเรามองหน้าคนข้างๆเ่านี้นะเดี๋ยวก็มองตาซ้ายเดี๋ยวมองตาขวามองแล้วให้เราเก็บจํำจิ๊กซอแต่ละตัวไว้ค่อยมาเรียงเรียนกันนี่สติเขาไวมากเห็นผียิ้มไม่มีอะไรเลย บอกโอ้แล้วอย่างนี้เราจะเที่ยวแสวงหาอะไรไปทําอะไรเคยชอบดูเครื่องเพชรดูไม่จุกใจเพราะจิตนี้เกิดดับเร็วเลยคือดูแป๊บมันดับแล้วรู้ไหมแป๊บอีกแล้วดูไม่จุกใจนี่เขาไวมากเลยเราไม่ต้องไวอย่างนี้ก็ได้มนุษย์ประหลาดนานๆเจอคนแล้วการตรีมันไม่ต้องละเอียดขนาดนั้น ธรรมะที่หยากกับธรรมะที่ละเอียด mm hmm. ก็สแสดงธรรมะอันเดียวกันคือสแสดงใจรักเหมือนกันเมันไมีใช่ต้องดูจนละเอียดทีเดีวพฤติกรรมก็พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมพฤติกรรมทางอะไรทางกายทางวาจาทางกายทางวาจาก็เปลี่ยนบ้างแต่ไม่มากไม่เปลี่ยนถึงขนาดแลปลกประหลาดเออต้องกลัว mm hmm. พูดถึงเรื่องม่ก่อนชอบเลย คขาเาตลงลหลไปดูเนะี่ยดูดูแล้วมันชอนอลงมันอะไรช้อลง่นอนลงตลี เ, เออมันเปลี่ยนคนที่เปลี่ยนใจเก่งที่สุดก็เราเนี่แหละเพ <c oughs> าะเรากจเราเปลี่ยนตลอดเวลานะไงคุณใจเป็นยังยังดีไหมเปลี่ยนนอ นี่มีคนตัวอย่างคนที่เปลี่ยนเริ่มกังวลเยอะถ้ารู้สึกตัวเยอะขึ้น้วกังวลน้อยลงเริ่มปฏิบัติด้วยกันคิดๆเอาคือตามเข้าไปอยู่ข้างในไปเสื่มๆไปไหลๆไปข้างในแต่นี้ก็ไม่เข้าก็เปลี่ยนอนกันหลวงพอเป็นคนขี้โมโหแล้วน่าใจมันก็เปลี่ยนเหนกัน ก็ของเก่าไม่ม so ีกําลังแต่เราไม่เสริมเชื้อแล้วพอเชื้อมันหมดมังก็หมดทำทั้งหลายเกิดเหตุถ้าเหตุดับมันดับบางคนพอจิตโมโหเราไปดูเห็นความโมโหแล้วนะโมโหตัวเองอีกว่าโมโหทําไมทาหาทางดับความโกรธอยากดับความโกรธก็โมโหอีกนั่นแห โมโหตอนโมโหไปเรื่อยเลยไม่หายบอกเอ๊ะดูยังไงก็ไม่หายก็ดูไม่เป็นดูแล้วอยากแทรกแต่งถ้าดูอยากสักว่ารู้สักว่าดูไม่แทรกแต่งไม่เป็นไรจิตนี้ไปคิดซ้ำไหมมันหนีแวกแต่งเนี่ยไม่ทันกันนะไม่ห้ามนะจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่งงางนั้นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ห้ามเลยไม่แท็กแสงไม่งังครับ บางคนฝึกจนบังคับเป็นเก่งนะคลัดเคลื่อนนะอย่างสมัยพุทธการพวกฤาษีชีพไรอะไรนี่ฝึกจนเก่งกลั้นลมหายใจได้นานๆานอดข้าวได้นานนานทำอย่างนี้อย่างนี้ได้แปลกแนั่งอยู่กลางอีมัสก็ได้คนอื่นตายหมดแนละ้วนี้ไม่ตายฝึกไว้จนเก่งเลยฝึกกายฝึกใจไว้เสร็จแล้วก็เลยเออกายกับใจ ใจมันตายได้แต่ใจนี่ัใจเราไม่ตายแลใจเราแกข่งขึ้นแข็งฝึกไว้ดีแล้วใจนี้เป็นธรรมตาใจนี้เป็นอากรรมันเป็นอัตตาเกิดความเห็นผิดไปนน่นเลยง่ายคุณเชษ์เป็นเงี้มั้งพูดลุงไตรลาลงชินอยู่ไหมมาพูดงั้นได้ไงพู้จัดการไตรลาลุงชินไม่อยู่นี่ เวลาที่เราจงใจทำเนี่ยมันจะใจมันผลเข้ามาใช่ใช่คะงใจยังงเลยพอเราพอไปรู้่มันจะมีมีความรู้สึกว่ามันอ๋ออย่างมันหลงไปใช่หมเรารู้สึกว่เหมือนมันผลใช่หหรือไงมันพอพอเราพอพอรู้สึกว่าจงใจปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนมันรวมกลับเข้ามาแต่ว่ามันรวมแปลกๆยูเลยรวมๆก็คือเซ ไไม่ได้สภ า, าวะมันเยอะแต่ละคนนึงก็ไม่เหมือนกันเลยไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปในสารเขาบอกว่าคนหลายคนมันไกินน้ำบ่อเดียวกันคนหลายคนเนี่ยเดินร่วมทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกันคือเข้าไปถึงอมตะธรรมอันเดียวกันมรรคก็มีอันเดียว ที่พระพุทธเจ้าสอนมา ก, ก็มีเส้นเดียวแต่ว่าทางใครทางคนนั้นไม่ไม่ทับรอยกันเลยเนี่ยจงใจดูดูไหมแล้วมันสดนี่ยังมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชะ า, าลาเออไม่มันดีแล้วอย่าไปทํามันฟังไฝุ ญ, ญาวา่าทำไปเยอะเออเนื้วเนี่ยอาจารย์ใส่แล้นเลยข้อนคอเลยหนู <c oughs> บบพวกนั่นดูจิตไม่เห็นมีใครดูจิตเลยมีแต่พวกเพ่งจิต ถ้บ่อยฝึกยังเนื้อภาวนาดีคุณหมอมีอะไระไหมคุณหมอคอยรู้ทันรู้ทันการกระทำํำ ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเคยหยุดขึ้นอีกนิดหนึ่งรู้ทันการกระทําของจิตเราจิตเราจงใจทําอย่างนี้จงใจทําอย่างนี้นะรู้ทันอย่างเรายังมีการประคับประคองรู้สึกไหม มีกิจกรรมอยู่คือคอยประทับประคองความรู้สึกมีความจงใจจะดูไม่รู้ทันตัวนี้รู้ทันตรงนี้แล้วจิตใจนี้พัฒนาไปตามธรรมดาแล้มันอยตอนนี้เราทําน้อยลงไปเยอะเลยแต่มันก็ยังไม่หมดดูออกไหมว่าอยู่ตรงเนี้ยดูรู้ให้ทันเราก็ทำแล้วรู้ทันไม่ห้ามนะครับขืนพยายามห้ามแล้วยิ่งไปใหญ่เ แค่รู้ทันคือบางทีพอเราศึกษาแล้วก็เมื่อก่อนจะมาก็ถามครูบาอาจารย์ให้ผมทําอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมเออใช่ทําไปตอนหลังเลาเรียรู้ว่าต่ อ, อท่านไม่ยอมช่วยเราทํากันบ้างให้เราทำทำทาเรื่อ้ต่อมาเรารู้ว่าโอตรงนี้ไม่ใช่ท่าจะถามบอกว่าจะให้หนูทําอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมถ้าตอบคำนวณหลวงพ่อไม่ใช่ ไม่ใช่ให้ทําอย่างนี้ต่อไปให้รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ไม่งั้เราจะนั่งทำเป็นนะ้ำป่าจะเข้าใจแต่ละตัวแต่ละตัวแนละ้วโอ้โหนาะนอาทิตย์สองาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่มันแปลกแปก ม, มันบอกไม่ถูกก็เลยไม่รู้ว่ามันมันดีขึ้นแล้วความรู้สึกตัวมันก็ชัดขึ้นมาแตม่มันแปลกแปลกค่ะเดิมแปลกเขาไม่เคยเห็นไม่เห็น ถ้าเห็นเรื่อยมันก็ไม่แปลกอย่างคนเคยหลงเนี่ยแล้วรู้สึกตัวนี่รู้สึกแปลกๆน ะ, ะคนเคยแต่ฝันฝันทั้งวันเลยนะตื่นขึ้นมานี่รู้สึกแปลกรู้สึกแหมใจิตใจมันมีกําลังมากขึ้นค่ะเรื่อมันก็ต้องอย่างนั้นไม่ใช่ต่อแฝงต่อแฝงไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้ก็ไม่เที่ยงถึงจะดีถึงจะวิเศษก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อย เนี่ยฝึกแทบตายฝึกจิตนะดูไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะจิตก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้ น, นเดี๋ยวก็เสื่อมมาดูใหม่พัฒนาไปเรื่อยเรื่ดีกว่าเก่าอีกแล้วก็เสื่อมอีกดูไปถึงวันหนึ่งโอ้จิตบังคับไม่ได้เดี๋ยไม่ใช่ฝึกสําเร็จเก็บังคับจิตสําเร็จเไยฝึกสําเร็จก็รู้ว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้ก็เลยเห็นไหมเขาแปลกแปลกนะไม่อยู่ในหัววาดเลยคือนะมังพีก็ บางทีเขาก็เรารู้สึกรู้สึกว่าเขาดีอืบางทีเรารู้สึกทำไมมันหม่นหมองแล้วมันตอแป้อและแล้วก็ทอมบางทีก็เบิอบางใจขึ้นมาเออนั่นแหละต้องอย่างนั้นเห็นไหมว่าเ้าทำผมเขาได้เองไม่ใช่เราทําค่ะดวงอกไหมว่ามันมันเป็นของมันมันมันมันไม่เห็นตรงนั้นใช่ไหมันมันเห็นเป็นเป็นเหมือนกับเราทําอยู่แต่มันมัน มันแตกแตกบางที่ว่าไม่ได้บางครั้งไม่ได้จงใจมันก็เป็นเออเนีทีแรกเราก็คิดว่าถ้าจงใจทําแล้วทําได้ตามมาลองจงใจเหมือนเดิมเอาไม่ได้ผลเท่าเดิมอะไม่เหมือนเดิมเนี่ยบางทีไม่ได้จงใจเลยเอามาได้ยังไงเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆในสุดจะเข้าใจความจริงว่าอ๋อไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้่อตอนนี้ลึกๆึกมันยังเป็นเราอยู่เีพอเป็นเราเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราทําถูกผลจะออกมาดี วันไหนเราย่อหย่อนขี้เกียจหรือเราทําผิดผลจะไม่ดีแต่ปรากฏว่าทําเหมือนกันทุกวันเละต้องทาเหมือนกันทุกวันนะทําไปเรื่อยทำเหมือนกันทุกวนนะนกั น, วนนะเลยเ อ, นนะเอาพุทไม่เหมือนกันใช่ค่ะบางวันพยายามแทบตายไม่ได้เรื่องเลยบางวันไม่ได้ทําอะไรเลยตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเอาฟิ้งขึ้นมาลนะใช่ค่ะเออนะเห็นไหมต้องใช่แน่นอนเน่พราะจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นดูเข้าไปจะเห็น <ๆ S 1> ของจริงของตัวเองอย่นั้นแนหะถูกแล้ว วันหนึ่งใจใยอมจำนนกับข้อเท็จจริงโอ้จิตไม่ใช่เรามันคบไม่ได้เลยสติยาทิฏฐิก็ขาดันตรงนั้นหนีไปคิดเอาหนีไปสังเกตเอาไม่ได้นะะที่นั่งหลังที่กิเตะไม่เผลอไปอะไรไปอยู่เขาส่วนหวงเป็ น, งง น, น, น, นเงบ้างฮะเขาส่วนหลวงตื่นเต้นเหรอตื่นเต้น ก, ก็ก็อยู่ที่นั่น ล, ลิงเยอะตื่นเต้น อ๋อไม่ขีขวานมาค่ะก็รู้กเปรัก่อหน้าเน่ไม่ขีไหนแล้วเนี่ยขีแดงคะไม่รู้จักเ่ยก็คือก็คือเป็นเวลาใครก็ไปที่มาจากานทำก็บอกว่าเป็นี่ส่อกน้านี่ยเอาไอ้างเ้ก็ก็ะดี่่ไแค่ดีแล้วแหละนื เขาจะได้ไม่ต้อเขียเข้าวที่ไหนโอ้ยพวกนี้มาอีกแล้ว <c oughs> อย่างนี้แย่เลยอือ <c oughs> <c oughs> เราต้องการดูกายดูใจเราสิ่งที่มากระทบจากข้างนอกอะไรเงี้ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ดูกายรู้ใจไปถ้ามีกําลังมากก็รู้ใจเขนะ้าใจนี่แหละไปทํากุศลนะกุศลไปสุขไปทุบ ไ, ไ, ไปก่อกิเลสก่อเกิดนะถ้าดูใจไม่ไหวก็รู้กายไปรู้กายไม่ไหวก็ทําสมถะนะมีแนวรับแนวรูกใจมันเฉยก็รู้ว่ามันเฉยนะ มันเฉยๆแล้วเราก็คิดเอเราจะดูอะไรดีรู้ว่าสงสัยเนียเขาไม่เฉยแล้วเขาเปลี่ยนแล้ว <Ừ. S 1> นี่จริงแต่เรามักจะยกเป็นความสงสัยไว้เพระว่าความสงสัยนี่เป็นของที่ยังไม่ต้องดูแปลอะไรเนะี่ คือจริงๆแล้วมันจะใช้กัามันปล่อยมักับไปแต่คือจริงนี้เวลากิเลสเกิดเนี่ยหน้าที่รู้เฉยๆแต่ถ้าความคิดเกิดมันไม่ใช่เป็นรูนม้มันตามไปช่วยมันคิดนะไม่เหมือนกันทั้งนั้นอย่างกามวิตกเกิดพยาบาทวิตกเกิดมีหิงสาวิตกเกิดเกิดแบบแลาวรีบรู้ทันอย่าไปคิดต่ออย่าไปช่วยมันแต่ถ้าใจมันคิดมันคิดขึ้นมาแล้วเกิดพยาบาท เรามาดูที่พยาบาทเราถนัดที่ดูพยาบาทมไม่ได้คิดหละเอันนี้ดูเฉยๆยอยู่อย่างหลวพ่อเตรียม่อนก็จะชัดคือไม่ไปช่วยมันคิดะ<า>นะเรื่งอง อ, อะไ ร, ไ ม, ะ ไ, รม ไ, ไม่เป็นไรเราไ้เปอร์อยู่แล้วธ <c oughs> รรมดาคือการปฏิบับติในอยู่ในสำนักเงียบๆก็ม <c oughs> ออีข้อดี อยู่บนเขาฝึกวิทยายุทธแล้วต้องลงจัดเขามันทสอบมันจอนมี้ามุมมาเล่าโอ้คุบาอาจารย์ตึกไปหมดแล้วคุบาอาจารย์อยู่ในเขาทำแสมาธิล้วก็บรรลุอะไรกันใหญ่เลยก็ออกมาเจอสาวสึกหมดแล้วคือถ้าเรารวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆไม่ได้นะยังห่างนะ อย่งเราปฏิบัติได้เฉพาะตอนไปอยู่ในสำนักหรือเข้าคอร์สอะไรนี้นะเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกนะการหนีขัดสะนะบางครั้งจําเป็นต้องหนีไว้ก่อนแต่ไม่ใช่หนีตลอดต้องกลับออกมาอย่าไปเกยียวโลกข้างนอกนะเราใจมันน้อมเข้าไปที่จะหนีไม่หนีเพราะวหนีไม่ได้หรอกนอรนหนีีชั่วคราวหนีไม่สักพอดเลย เรตั้งใจว่าแค่ไปพักผ่อนเอาแรงกลับมาเจริญสติต่ออยากเปลี่ยนโลกข้างนอกนะแค่พอเข้าไปอยู่สํนานักนานๆแล้วมีความสุขข้างนอกนี่แต่ทุกข์รักสุกขเกิดทุกข์แล้วสองงานไม่เข้ากันแล้ไม่รู้ละอันนี้ดิ้นจะเข้าข้างไหนถ้าเข้าได้ก็มีความสุขเข้าไม่ได้ก็ทุกข์เยอะเลยทุกข์เยอะยิ่งกว่าคนที่เขาอยู่ข้างนอก จที่เราพร้อมแค่ไหนนะมีภาระทางใจลุงรังเหนื่อยอยู่ไหมอย่างการบวชไม่ใช่รมชั้นเนละการบวชคือการเปลี่ยนภพอันนึ่งคนระับแล้วก็ไปเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งอย่งไปอยู่บวชเส็จไม่ชีเอาไปอยู่เขาสวนหลวงเกิดอยู่เขาแล้ววันหนึ่งเเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายไม่ชอบแล้วไม่ชอบคราวนี้จะไปอยู่เฉยๆไม่ไดนะ้ต้องไปรวมกลุ่ม ประกาศนโยบายต่อสู้อะไรเงี้ยโลกก็ไม่คงที่หรอกนีผู้หญิงลําบากนะพวกผู้ชายบวชแล้วอยู่ที่นี่ไม่สบายก็หนีไปอยู่ที่อื่นผู้หญิงไม่ค่อยมีที่สบายการจะบวชเนี่ยต้องต้องพร้อมเะขึ้นตัวเองได้เก็บจะตังไว้นะพระเภสว่าถ้าไม่มีวัดไหนเขาให้อยู่เราก็อยู่ของเราได้นะ ถ้าถ <necessary. S 2> ้าเรายังต้องไปครึ่งสำนักซึ่งวัดก็ต้องไปทำงานแล้วอยู่อยู่วัดผู้หญิงอยู่ยากนะผู้ชายมันเร็วแค่ไหนมันไปบวชแล้วมันก็อยู่ได้เป็นผู้หญิงลําบากนะอย่าเกิดเป็นผู้หญิงเรื่องไม่ได้นะคะคุณพ่อคะถ้าในชีวิตประจำวันมราจะเสษตรเนื่อที่เร็วสอบแล้วทุกหมวดสงทุกทีเลยเฮ้ยวรู้ว่าถูกตอบดี ที่ผ่านมาเราถูกตกฉากยิ้มหวานเลยดีใจนะ